ไปมุ่งตามกนฝรั่ง globalization หรือโลกาพิวัตตามก้นฝรั่งไม่ใช่สาคนอะไรแต่พระองค์ท่านทรงประทับพับเพียบได้เป็นห้าชั่วโมง6ชั่วโมงไม่เปลี่ยนท่าเลยพวกเราเนี่ยเผลอปั๊บกลับท่ากลับทีพอนานนานชั่วโมงก็ค่อยๆพังภาพค่อยๆ ย, ยืดขาเท้าแขนไปข้างหลังแล้วก็เท้าแขนไปเรื่อยๆ